รักตดกนี้นดูแ ส, สลบฝันิตลัตตนตมอยาก้นขึ้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นยามนทร า, านนนและ ชมมุ่มไม้ทุกงดาวกว้างไกลจากนั้นภาพลังเลือนหายฟื้นตื่นลืมตาร การนี้ช่างดูซสนสั้นหลับฝันพริตตาพลันตื่นแต่ฉันไม่อยากฟื้นคืนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นยามนิตราที่ฉันได้พบเธอทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอ เมื่อศพสายตาไกลไกลท่านั้นก็เป็นสุขใจแม่เป็นเพียงฝัน พบเจอกันในนั้นไม่รู้เธอเป็นเพียงฝันอมีอยู่จริง I l a n to, u t don't w o w a e up o m the memories h a t a i n g พลันริบตาพลันตื่นแต่ฉันไม่อยากฟื้นคืนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นยามนิทราที่ฉันได้พบเธอทั้งที่ไม่รู้ว่าเธอคือใครแต่ทุกครั้ง สบสายตาไกลไกลเท่านั้นก็เป็นสุขใจแม้เป็นเพียงฝัน ลัฝันเราพบเจอกันในนั้นไม่รู้เธอเป็นเพียงฝันเรือมีอยู่จริง สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมาแนะนำตัวในรายการใหม่นะครับผมเฉลิฐอนุทัศน์นะครับกับรายการใหม่แบบแกะกล่องเลยทีเดียวนะครับกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักใบตุย ต, ยตุยตินติ น, ตนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีราชมงคลงธัญบุรีคลื่น 89.5 เมกะเฮิรเพลงที่เพ<ล>ิ่งจบไปเมื่อกี้เป็นเพลงที่ผมร้องเองนะครับร้องกับพี่จุมนรีกระจางไวเมื่อสัก4หปีที่แล้วก็ เป็นเพลงที่แต่งโดยคุณเป้นะฮะก็ก็เป็นเพลงเพลงรักที่ให้อารมณ์ฟุ้งฟุงฝันฝันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพลงแนวแนวนี้กันนะครับครับสำหรับรายการเรื่องเก่าที่เรารักเนี่ยออข อ, อ, อพูดถึงคอนเซปต์รายการนิดหนึ่งก็คือจะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องเก่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสถานที่หรือสิ่งของต่างๆรวมไปถึงในบางเทปในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจที่สามารถพาเราย้อนอดีตไปสู่เรื่องราวที่น่าประทับใจได้นะครับครับสําหรับการพบกันครั้งแรกวันนี้เอผมอยากจะพูดถึงนักร้องหญิงคนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เธอไม่ได้อยู่บนบ น, บนโลกในแล้วนะนั่นะก็คือพี่แหวนทิติมาสุตาสุนทรเชื่อว่าหลายๆคนที่ เป็นแฟนเพลงของค่ายแกรมมี่น่าจะรู้จักนักร้องหญิงคนนี้ดีเพราะว่าพี่แหวนเนี่ยเป็นศิลปินหญิงคนที่สี่ของค่ายนะฮะต่อจากแพทย์หญิงพันธิวาคุณเต๋อเรวัตพุทธินันพี่ตูนณิดาแก้วบัสายแล้วเข้ามาเป็นพี่แหวนนี่แหละครับย้อนกลับไปเมื่อสักช่วงปี1984สี่ ใช่ฮะอาะป์บัแรกชันเป็นชันเองของของพี่แหวนเนี่ยทำให้เราได้รู้จักกับเธอคนนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นพี่แหวนในช่วงนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นความแปลกใหม่ของการเพลงไทยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะนักร้องหญิงเนี่ยจะไม่มีบุคลิกที่เป็นร็อกเกอร์เป็นบุคลิกแบบเท่ๆอย่างอย่างพี่แหวนนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นห้องหญิงในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องแต่งตัว เต็มที่ต้องใส่กระโปรงต้องแต่งตัววิปับ๊บแต่งหน้าทําผมเต็มที่แต่ว่าพี่แวเนี่ยเป็นอะไรที่ฉีกเป็นอะไรที่แปลกใหม่จริงๆซึ่งทำให้แฟนเพลงเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจกับภาพแรกที่เห็นผู้หญิงคนนี้นะครับจริงๆพี่แบวนเนี่ยได้รับฉายาว่า Queen of Rock เพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสัมผัสได้ง่ายแล้วก็ร้องเพลงแบบให้อารมณ์ที่ ตอบโจทย์ทั้งความเพลงรักเพลงซึ้งเพลงสนุกเธอร้องได้หมดนะครับไม่ทราบว่าใครเคยได้ฟังอัลบั้มแรกของของเธอเธอคนนี้บ้างนะครับอัลบั้มฉันเป็นฉันเองซึ่งชุดนั้นเนี่ยมีเพลงดังอย่างไดอรี่สีแดงเชิดแขนยวาวไทสีเทาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ซึ่งถ้าจะบอกว่าทาไม เพลงชุดแรกของพี่แหวนถึงประสบความสําเร็จเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งนอกจากภาพลักษณ์ที่แตกต่างของของตัวพี่แหวนเองแล้วเนี่ยตัวทีมงานตัวคนทําเพลงทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นทีมเพลงที่เราเราต้องยกว่าเป็นระดับครูกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอัศนีโชติกูนคุณเรวัตพุทธิ น, นันคุณจตุรนเอ็มสบุตรคุณโ อ, อ ก, กิตพลังกูลคุณนรงฤทธ วงจินดาวัตนะฮนะพวกนี้เป็นทีมเพลงที่ทําให้อัลบั้มฉันเป็นฉันเองของพี่แหว น, นได้รับความนิยมในวงกว้างาทันทีที่ที่ทางค่ายกรมมี่เนี่ยมีทำการโปรโมท เ, เพลงนี้ในในวิทยุและทีวีเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงว่าเออเราเคยเห็นหน้าพี่แหวนจากที่ไหนย้อนกลับไปอีกนิดนึงหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าพี่แหวนเนี่ยเริ่มต้นการร้องเพลง ด้วยการไปประกวดประกวดร้ อ, อ, องเพลงของโรงแรมมนเทียนนะครับก็คือในที่สุดเนี่ยเธอได้เป็นนักร้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศช่วงปีปี2 5 2 4นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ก็ช่วงนั้นพี่แหนเรียนอยู่สักน่าจะปี3ที่ที่นิเทศจุลานะครับก็ ด้วยความที่เธอเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงและก็มีกิจกรรมคือเป็นนักร้องประจําวงของวงดนตรีลูกทุ่งนิเทศศาสตร์ของจุลาอยู่แล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปประกวดร้องเพลงของโรงแรมมอนเทียนแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งนั่นเป็นที่มาทําให้พี่แผวนได้ร่วมงานและก็ร้องเพลงประจําอยู่ที่โรงแรมมอนเทียน ร, ร่วมกับวงโอเรียนเตนฟังที่มีพี่เตอ๋อฤทธิวัฒน์พิทยนั้นเป็นสมาชิกอยู่ในวงด้วยนะครับ อพอมาช่วงปี2อ2พาีเนี่ยพี่แหวนเขาเริ่มเรียนจบแล้วก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวเริ่มจากการแสดงละครของค่ายกันตนาไม่รู้ว่าใครได้ไ ด, ได้ได้ดูบ้างนะฮะไม่ไม่ทราบว่าเกิดทันหรือเปล่าช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่อัลบั้มชุดแรกของพี่แหวนจะออกนะครับเธอก็ได้ชิมลางเล่นละครสักสองาเรื่องก่อนเท่าที่จำได้ก็จะมี ละครส่วนท่างเถื่อนทางที่เคยออกอากาศทางช่อง5นะครับแล้วก็ละครเด็กละครสร้างสารรค์ของช่องเจเรื่องพยักน้อยแล้วก็มีเรื่องซีอุยในช่วงปี2527เนี่ยนะครับหลายๆหลายๆครั้งหลายๆคนที่ที่เคยได้ดูพี่แหวนในบทบาทของการนักสแสดงก็ก็ออกปากนะครับว่าเออมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าถึงบทเข้าถึงตัวละครได้ไ ด, ได้ทุกบทบาทครับพอมาในช่วง ปี2อ2พเนี่ยพี่เตอ๋อเริ่มจะมาทำค่ายเพลงแกรมมี่ก็เลยมีการชักชวนพี่แหวนมาทำเพลงด้วยกันซึ่งชุดแรกเนี่ย อ, อย่างที่บอกครับคือได้ทีมเพลงที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เพลงดังซึ่งจะว่าไปแล้วในจริงๆก่อนหน้านั้นถ้าถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึ่งนะครับช่วง ช่วงปีสองพเหมือนกันพี่แหวนเคยร้องเพลงประกอบละครเอ๊ะโทษทีฮะร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไวระเริงแล้วก็น่าจะยังเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนจำได้ว่าชายาค u e น n o อก o ็อกเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้ด้วยนะฮะนั่นคือเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้จำได้ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกของคุณอาพลลาพูนหรือวก็ พี่หมีวัสมน์นะฮะแล้วก็มันจะมีเพลงที่ที่คุณหมีวัสมนร้องอยู่ในหนังท่อนหนึ่งนี่แหละฮะเพลงจากวันนั้นถึงวันนี้เพลงจับตํารามาใส่ตลับอะไรพวกนี้ซึ่งนั่นแหละฮะพี่แหวนเป็นคนร้องแล้วคุณคุณหมีเนี่ยมาสิงปะาเข้าในหนังหลายๆคนก็ถามหาว่าเอ๊ะใครเป็นคนร้องเพลงนี้ซึ่งพออัลบั้มแรกออกมาเนี่ยนั่นก็คื อ, อ, อทําให้คนได้รู้จักพี่แหวนเพิ่มขึ้นจากจากแวดวงกลางคืนที่ เป็นนักร้องที่ร้องประจําโรงแรมร้องประจาห้องอาหารอะไรอย่างี้นะฮะครับไม่ทราบว่าหลังจากปีสองยิ็แล้วเนี่ยใครจําได้บ้างว่าอัลบั้มต่อมาเนี่ยเป็นอัลบั้มอะไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเพลงเรามีเราน่าจะทำให้ทุกคนรู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้ได้มากขึ้นเพราะว่า ชุดที่2เนี่ยนะครับเพลงเนี่ยก็จะค่อนข้างฟังง่ายขึ้นเป็นเพลงฟังสบายๆแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างโดนใจคนฟังแบบเต็มๆจากชุดแรกที่ยอดขายแตะหลักๆ เ, เกือเกือบ 30,000 น, นนะฮะก็ทาให้ชุดที่2เนี่ยอยอดขายเนี่ยค่อนข้างกว้างขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเพลงเรามีเราเนี่ย ถูกแต่งโดยคุณอัศนีโชติกุลแล้ว่็พี่ดี้นี้ที่พงษ์ห่อหน้ากันนะครับคือถือว่าเป็นนักทีมเพลงคู่บุญของพี่แหวนเพราะว่าเคยทำเพลงในชุดแรกแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากพอมาชุดที่สองเนี่ยก็มาทำเพลงเรามีเราให้พี่แหวนดังยิ่งๆิ่งขึ้นนะฮะครับลหลายๆคนอาจจะจำได้ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงเรามีเราเนี่ย พี่แบนไปถ่ายแถวแถวอรานาพระประมุขสมมาแต่งแต่งตัวด้วยเสื้อสีขา ว, วกางเกงยีนยรองเท้าผ้าไสีขาวแล้วก็ด้วยลุกที่ดูสบายๆลุกที่ดูจับต้องได้ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างที่หลายๆคนเป็นอยู่ในยุคนั้นนะฮะก็เลยทำให้พี่แบนเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงใจคนฟังแล้วก็สัมผัสกับ แฟนเพลงทั่วประเทศได้ง่ายขึ้นทําให้อัลบั้มชุดนี้นะครับมียอดขายมากถึง5 0,000 นตลับเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่เยอะมากสําหรับนักร้องที่ค่อนข้างถือว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่นะฮะก็เรียกได้ว่า2องอัลบั้มแรกเนี่ยเปิดตัวด้วยความสําเร็จที่เรียกเรียกได้ว่าหาได้ไม่ง่ายนะ ค, ะนะครับนะฮะก็ต้องชื่นชมทั้งทีมเพลงแล้วก็ตัวของพี่แหวนเองด้วยนะครับครับ เอาสักครับพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะฮะครับฉันรู้ว่าเรารักกันแต่มีความกิด นนั้นก็คงไป เพลงที่เพิ่งจบลงไปนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเอาเรียกเป็นว่าไม่เคยได้ยินเลยดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงโปรโมทนะครับแต่ว่ามันเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีๆแล้วก็เมโลดีเ้เพราะๆผมก็เลยเลือกที่จะหยิบเพลงนี้มาให้ฟังเพลงที่เพิ่งจบไปของพี่แหวนเนีเป็นเพลงที่ชื่อว่ า, อ, าอย่าให้คิดอีกครั้งนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดที่3ซึ่งชุดที่3เนี่ยคืออัลบั้มคนที่รู้ใจ ออกวางตลาดในเดือนกรกฎาคมปี2530นะครับช่วงนั้นปกเทปยังเป็นราคา75บาทจำได้ว่าชุดนี้ทำออกมา2ปกเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากสมัยก่อนเนครับเวลาเทปที่ได้รับความนิยมมากๆเนี่ยฮะออกมาปกแรกเนี่ยถ้าเทปเกิน3 0 0แสนตลับเขาก็จะทำการเปลี่ยนปกเพื่อเป็นการฉลองยอดขายและชุดที่3ามคนพี่แหวนนี่ก็มีการเปลี่ยนปกด้วยนะฮะก็แสดงว่า ได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนกันพูดถึงเพลงนี้นิดหนึ่งนะครับเพลงนี้แต่งโดยเนื้อร้องนะครับเป็นของคุณวิชัยอึ้องอําพรแล้วก็ทวทีฮะแต่งพี่เต๋อเลวัตพุทธินานเป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็คุณวิชัยอึ้งอําพรเป็นคนแต่งทำนองนะฮะกเ็เป็นเพลงที่อย่างที่บอกไม่ใช่เพลงโปรโมทเพลงก็คนคนฟังก็เลยไม่ค่อยจะรู้จักกันนะเพลงนี้เป็นเพลงที่2 อ, อยู่ในหน้า A นะฮะครับ ย้อนกลับไปถึงชุดเพลงชุดนี้นิดหนึ่งชุดชุดนี้นะครับ เ, เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างที่เพลงเรามีเรายังดังอยู่แต่ว่าเริ่มแผ่วแล้วแล้วก็มาถูกโหมโปรโมทด้วยการยิงสปอตทีวียิงสปอ t วิทยุ U, แล้วก็ฉายมิวสิกวิดีโอกับกับลำพังชุดที่3ของพี่แหวนนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยด้วยความดังของของพี่แหวนเองเนี่ย ทําให้มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เป็นนางเอกหนังกับเขาอยู่เรื่องหนึ่งนะพี่แหวนไม่รู้ว่าใครเคยได้ดูหรือเปล่าเพลงหนังที่ที่พี่แหวนเล่นเรื่องแรกแล้วก็ทุสทีเป็นเรื่องเดียวนะฮะก็คือเรื่องรอรอเรียนดีรักดีพี่แหวนเล่นคู่กับคุณออสโอภาททษทศพรหรือว่าออสมะันดีพิณก์จริยาสาระคมแล้วก็มีดาราอีกหลายๆคนครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ย นักร้องคนไหนที่ดังเนี่ยจะถูกพุ่งกับจีบมาแสดงหนังไม่ว่าจะเป็นบทนําบทนางเอกพระเอกหรือว่าบทร อ, อ, องรอง ล, อ ง, ลองไปเนี่ยแต่ว่าถ้าใครดังจริงเนี่ยต้องได้รับการติดต่อต้องได้เห็นอยู่บนแผ่นฟิล์มด้วยนะครับและพี่แหวนเองเนี่ยกับการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกถือได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะาช่วงนั้นผมจําได้ว่าออตอนนั้นผมผมไปย้ายไปเรียน อยู่ที่จังหวัดยะลาแล้วก็ตอนนั้นเรียนรอร์ดอด้วยจําได้ว่าพอเลิกเรียนรอร ด, อดอเสร็จเนี่ยเพื่เพื่อนก็จะเกณฑ์กันขึ้นรถมาดูหนังเรื่องนี้เรียกว่าเออรอร์ดใครที่เรียนรอร์ ด, ดช่วงนั้นต้องมาดูฮะเอาเป็นว่าหนังเนี่ยได้เงินแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมพอสมควรนะฮะครับนอกจากร้องเพลงเล่นละครเล่นหนังแล้วพี่แหวน ก็ยังมีความสามารถในด้านอื่นๆนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการาทำอาหารนี่พูดถึงเรื่องทำอาหารเนี่ยมีช่วงหนึ่งช่วงหลังๆและพี่แหวนเคยมาทำวอรเฟขายไม่ทราบว่าใครเคยได้ไดไดชิมฝีมือแกบ้างผมเองผมเคยไ ด, ไ, ดได้ชิมนะครับตอนนั้นแกมาขายอยู่ตรงแถวแถวซอยร่วมฤดีก็เดือนแรกๆเนี่ยโหยอดขายเยอะมากเลยฮะได้เดือนละเป็นแสน ก็มีแฟนเพลงตามมาอุดหนุนมีแฟนเพลงตามมาชิมแล้วก็ตองหลังๆเนี่ยพอพอพอเหมือนกระแสเริ่มจางไปแกก็เลยหยุดตรงนั้นแล้วก็หันกลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมอีกทีนึ่นงนะฮะครับเออไม่ทราบว่าเคยเคยเคยเคยเคยฟังเพลงพี่แหวนไหยครับต่ถามคุณไอซ์ฟังบ้างค่ะฮะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วอืมทันทันเพลงไหนบ้าง ชื่อจริงจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่ามุ้นหูเฉยๆค่ะแต่มีบ้างเคยเคยค่ะเคยเคยดูเคยฟังแกบ้างใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนมากอาจจะไปฟังเดี๋ยวนี้ค่ะรู้สึกว่าเพลงยุคก่อนๆเก้าศนย์หรือ8 0ปดศูนย์อะเงี้ยจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าก็เราก็จะมีฟังผ่านหูบ้างเหมือนช่วงนี้กำลังบูมด้วยนะคะช่วง เอาเพลงเก่ามาเปิดใหม่ประมาณนี้ค่ะแ ล, แล้วก็รู้สึกว่าเพลงเก่าก็าทํานองก็จะคล้ายๆกันหมายความว่าทํานองจะมีความที่ เ, เ, ปเป็นแบบเนื้อเนื้อเดียวกับเพลงเวลาแต่งข<ช>ึ้นมาเขาเหมือนจะแต่งมาจากแบบคําพูดนะคะใช่ใช่หรือว่าเป็นแบบสตอ ร, รี่ของชีวิตตัวเองประมาณนี้ค่ะอก็หลายหคนเนี่ยฉันรู้สึกว่ า, เ, าเพลงในยุค ก, ก่อนเนี่ยมีภาษาที่飒 ส, สรุวย กินใจใช่ใช่ <นะ S 1> ก็จะมีภาษาไทยที่แปลกไป<ช>มากกว่าเพลงปัจจุบั น, บนใช่ค่ะจะเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้กินกันแล้วใช่ใช่ค่ ะ, ค, ะครับนั่นแหละฮะก็คือที่มาของออความรู้สึกที่ที่พี่แหวนสามารถทัชชิ่งกับแฟนเพลงได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของของแฟนเพลงทุกคนครับอือหลังจาก ออกอัลบั้มมาถึง3มชุดแล้วเนี่ยกระแสความนิยมของพิแหวนเนี่ยค่อนข้างไต่กราฟขึ้นในระดับที่ที่เรียกได้ว่าน่าพอใจนะครับแต่ว่าหลังจากอัลบั้มชุดที่3แล้วไม่ทราบว่าใครจำได้บ้างว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นกับกับวงการเพลงไทยที่มีพิแหวนเป็นคนจุดประกาย ถ้าคนที่ยังทันในช่นนนชวงปีสักน่าจะประมาณปี2530 2531อย่างเงี้ยฮะก็คงคงคงจะจ ะ, จะทราบดีว่าสิ่งที่ผมพูดถึงนี่คืออะไรอเอาเป็นว่าวันนี้ครับเวลาหมดแล้วยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์เวลาทิ้งคืนครึ่งกลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะาเล่าเรื่อง ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆของวงการเมืงไทยจากพี่แหวนให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับย้อนอรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก